ตจิตที่จําอารมณ์นั้นมีความโง่ก็แปลว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งของความโง่ทําๆกันไปโทสะแล้วก็ <c oughs> ที่อยู่ในอารมณ์อารมณ์จะเป็นอิทธาลมหรือปิดปิด ด้วยการรับรู้เพราะไอ้การปิดมันจะไปปิดโดยไม่รู้ไม่โมหะนั้นก็จะอยู่ อันในคํานิยามว่าจิตเนี่ยปิดอารมณ์การปิดอารมณ์ปิดด้วยการ ไม่รู้สิ่งใดรู้สิ่งใดชื่อว่าปิดสิ่งนั้นมันปิดคือการ 3 ทีนี้ไอ้โมหะนั้นมันปิดลมให้กับโลภะ มันไม่ชอบข้อมูลไม่ชอบข้อแท้จริงยิ่งโง่เท่าไหร่กิเลสมัน ไตรโทษะด้วยการปิดที่อารมณ์ปิดที่การรู้ปิดโลภะด้วยการปิดที่อารมณ์ๆในโมหะในในขณะ ก็กัลอธิบายถึงกันเราจะปิดโดยไม่รู้ไม่ได้ แม้ว่าเราจะไม่เกิดไม่เกิดอยู่ขนาด ที่บ้าว่าอย่างนี้คือหลงเป็นปกติเพราะยังไม่ได้ไม่ได้ละโมหะด้วยอยู่หรือไม่ได้เกิดจิต 10 ดวงเราถึงไม่รู้อริยสัจ 4 ได้มั้ยให้ทานอยู่ ทำไมถึงไม่รู้ล่ะถามว่าโมหะปกิยะบอกจะมาปิดได้ไงก็เราไม่ได้มันปิดได้ไงบอกไม่ใช่โมหะขนาดนั้น คุณต้องเกิดคุณก็ได้แค่นั้นส่วนเท่าที่ผมเราถึงรู้ไม่ได้ การจะรู้ด้วยปัญญาในเรื่องใดจะรู้ด้วยปัญญาในเรื่องใดๆในๆสูงขึ้นไปได้นั้นต้องเพิ่มพลังปกติฝ่ายถูก อวิถีจิตของปัญญาเพิ่มพลังเข้ามาเข้ามายิ่งมากยิ่งแรงก็จะยิ่งทําให้ไอ้ความโง่ตัวนั้นลดลงเช่นว่าเราไม่ อำนาจของกุศลปัญญาญาณลํายุตนี้ก็เข้า แล้วก็ก็คืนใคร่ผู้เราโมหะที่เราได้สะสมมาคือมันเรื่องพลังจิตนั่นเองนะตะวาไปแล้วแต่มันเป็นพลังปัญญากับพลัง ก้าวขึ้นไปไอ้โมหะที่มันเอ่อลด 12 กันยายน 2536 จน จะบรรยายพระภิธรรมในครั้งนี้จะ 16 เอ่อ 15 นะ 15 16 แล้ว 17 เพื่อประกอบ เรื่องจิตที่จะนําเอามาอธิบายกันในระยะ 2 ของจิต 89 ที่ 18 นั้นเป็น 12 เอาเป็นกลุ่มที่ 2 ซึ่งถือว่าในจิต 89 ดวง อาการที่เข้าใจยากที่สุดก็คือกลุ่มนี้ครับคือเหตุ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความยุ่ง 2 กลุ่มนี้เท่านั้นกลุ่มแรกที่ผ่านมาแล้วคืออสงส 12 อาเหตุกจิต 18 นั้นว่าจริงจํานวน 17 ดวงนะฮะ เป็นคําทายที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่าอะไรเอ่ยที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ว่ามองเห็นลำลายลำ 48 นั้นมีสภาพๆกับ เหมือนจะเห็นเหมือนจะไม่เห็นเอายกตัวอย่างจริงๆแล้วเราก็มีความจริงนั้นจริงๆแล้วๆ อาจเอ่อผมจะยกตัวอย่างว่าเวลาอธิบายว่าทําไมจึงกล่าวว่าเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเราไม่รู้เนี่ยแปลว่า เมื่อเวลาเราเห็นนั้นเวลาเราเห็นแล้วเราชอบนั้นเรามีความรู้สึกว่าเห็นแล้วจิตมัน 1 ขณะแล้วก็คือทําความรู้อารมณ์นั้นให้เกิดขึ้นแล้ว ทำหน้าที่เพียงแต่ว่าเห็นสัตว์ว่าเห็นสุขและทุกข์ไม่ปรากฏในขณะเห็นแล้วก็เห็นว่า ชอบใจและความไม่ชอบใจเกิดความยึดติดเกิดความปฏิฆะในสิ่งที่เราการเห็นแล้วก็จะ ต่ออารมณ์ที่เห็นได้ด้วยตาในโลกนี้เอาล่ะว่าอเหตุกจิตน่ะลำพังชื่อเองก็ชวนงงอยู่เป็นอันมากชวนแปลความผิดอยู่เป็นอันมากที่อ่ายังไม่ได้ <c oughs> เรเราก็จะนึกแย้งอยู่ในตัวเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้บรรยายได้มีประสบการณ์เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องจิตนี้แล้วก็เข้าใจไม่ได้แล้วก็เคลาะล้าอยู่ประการหนึ่งว่าอรได้ยินเรื่องเหตุกิจจิตเนี่ยไม่มีกัลยาณมิตรให้ได้ถามเลยก็คนเดียวก็เลยอภิพิกมาถึงจิตดวงนี้ทีไรแล้วก็ปวดหัวทุกทีไปเป็นเรียกว่าเป็นการ ตถาเหตุกะ 18 นี้เพราะว่าเราน่ะคิดตามหลักศาสนาที่เราได้ ปรากฏในทฤษฎีทางพุทธศาสนาเราก็สงสัยอย่างนี้เกิดความคิดแย้งขึ้นมาอย่างนี้แต่เมื่อเราเริ่มเข้าใน 2 คำว่าเหตุในพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพระธัมมปิฎกก็ดี เช่นว่ากินข้าวแล้วอิ่มๆเป็นผลข้าวเป็นเหตุก็พูดได้เป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่ง 2 สิ่งนั่น แต่ว่ามีองค์ธรรมและขอบเขตอยู่ 4 ว่าธรรมทั้งหลายหมายถึงทุกข์ทั้งปวงไหลมาแต่เหตุคือตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่น ตับประสิทธิ์บุตรในที่นั้นฉะนั้นก็คําพูดนี้ก็เรียกว่าอยู่ องค์ธรรมหรือสภาวะธรรมเฉพาะอย่างที่กลายเป็นชื่อไปว่าคําว่าเหตุนั้นหมายถึงโลภะโทสะโมหะ แล้วก็อโลภะอโทสะโมหะนั้นในอีกกรณีหนึ่งเป็นอปยากตะเหตุเดี๋ยว แล้วก็ออกมาทางพฤติกรรมทางกายเป็นดีและเป็นชั่วออกมาทาง ท่านเรียกว่าเป็นเหตุและท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งที่เรียกในแต่ละที่บาง 12 เรียกว่ามูล แบ่งเป็น 3 ส่วนหรืออย่างย่อก็เป็น 2 ส่วนส่วนชั่วชื่อ 2 ชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อที่ใช้ในกรณีของเหตุปจิตหรือในพระในความ อ่าเรื่องของเหตุและมูลถ้าหาก 2 คํานี้แบบแยกกันเช่นในคัมภีร์มหาปัฏฐานเมื่อเราเปิดในปัตติยุเทศ ท่านจะเริ่มโดยเหตุปัจจโยเจตุปัจจโยคําว่าเหตุ 9 นั่นเองครับ และความเป็นเห็นตัวเองนั้นไปเป็นปัจจัยแก่จิตใดโดยความเป็นอย่างใดจิตนั้นก็จะถึงความเป็นอกุศลจิตถึงความเป็นกุศลจิตแลเปเปเป 6 เป็นปัจจัยคราวนี้ที่ 6 ลง คัมภีร์ปฐาลน่ะเป็นคัมภีร์ที่ 7 เปิดคัมภีร์ที่ 6 หน้าแรกอีกเหมือน 6 ชื่อว่าคัมภีร์ยมกหน <c oughs> 6 หรือ 9 นี้เหมือนกันแต่ ของธรรมทั้งหลายก็คือเหตุนั่นแหละครับแต่ว่าพระคัมภีร์ 12 โลภะมูลจิตน่ะแทนที่ ไม่รู้จะไปถามรู้จะไปถามปราลุตได้ทันได้ยังไงท่านไปอยู่ไหนแล้วไม่ทราบนะทําไมโมหะมูลจิต ไม่เรียกว่าไม่สอดคล้องกันไม่เรียกว่าไม่สอดคล้องกันทําการที่เราต้องมาพูดอ่าคําเดียวกันความหมาย จึงขอให้ตั้งหลักว่าขอให้ตั้งหลักว่าอะเหตุกจิตนั้นคืออะมูลกจิตนั่นเองอะมูลกจิตคือจิตที่ไม่มีมูลซึ่ง จึงมีสภาพที่อ่อนละเอียดลงจนเรียกว่าเราเห็นมันลำลายๆอย่างที่ว่ามาเพราะว่ามัน ที่พูดถึงว่าคําว่าเหตุที่ใช้เป็นกาลามีเฉพาะเนี่ยบางแห่งหมายถึงเหตุ 9 ที่ว่า อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราพูดถึงในการอธิบายถึงจิตที่ผ่านมาแล้วใน ๆๆอายตกทิฐินะแปลว่าทิฐิที่ปฏิเสธเหตุคือกรรมนะไม่ได้หมายถึงเหตุอื่นเหตุอื่นๆอย่างนี้อ่ะอย่าง ว่ามันจะได้ผลยังไงจากเหตุอะไรหรือได้รับผลอย่างไร แท้คนใดมีศรัทธามีความเข้าใจตรงนี้ ในโกรธแห่งกรรมกรรม 2 ส่วนเลยอ่าตัวกรรมนั้นท่านเรียกว่าเหตุอุดมมเหตุอุดมเหตุชั้นสูงสูงตรงนี้ไม่ได้แปลว่าประเสริฐเลิศลอย บุญทุกระดับก็เรียกว่าอุตตมเหตุเหตุ ถ้าไม่มีทางเลยกรรมไม่เอื้อนหน่วยแล้วไม่มีทางเลยไม่มีๆคดีแล้วเช่นว่าใครคนใดคนหนึ่งมีชะตากรรม นี่คืออำนาจกรรมไม่ให้ชองหรือว่าใครคนใด อันจะต้องมาก่อที่หลังหลักคือพื้นฐานบังคมของคน ไปไม่ได้มากมายหลายกรณีได้มากมายหลายกรณีจะป่วยถึงเอ่อสัตว์บางเหล่าที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเลือสุรกายก็ยิ่งจะไม่มีความ ที่เป็นตัวองค์ธรรมอยู่ในในจิตนั้นเหลียวเป็น ปัจจัยนะแล้วก็กรรมก็ดีคนทํากรรมดีกรรมชั่วมีอวิชชาเป็นปัจจัยอย่างที่เราได้ยินเรื่องสังขารทําไมท่านเอาอวิชชา เพราะทําไมอวิชชาถึงเป็นเหตุให้เกิดกุศลคือเราเราเกิดกุศลละจิตขึ้นเนี่ยทุกชนิดที่ อันนี้ว่าอย่างโลภะรักแล้วก็วิบาก 3 วัตตะ 3 คือกิเลสกรรมวิบากนั้นมีอวิชชาเป็นสาตระ ไม่ 2 ที่ที่เราเคยเอ่ยถึงคุณลมบาทบลาหลานว่าไม่ใช่แต่เป็นผู้แล้วไม่แล้วก็ว่าอันนี้ของว่าท่านไม่ทํากรรมแล้วแล้วก็เป็นที่สิ้นอวิชชาก็เรียกได้ตัณหาว่าราคคโยสิ้นราคะโมหคโย นี่คือตัวที่เป็นจิตที่ไม่มีเหตุนั้นที่ยกตัว <c oughs> ไม่มีกุศลธรรมูลอยู่ในจิตนั้นไม่มีอัพยากตธรรมูลว่าอกุศลธรรมูลเรารู้ แต่ว่าอโลภะอโทสะอโมหะที่มีฐานะอโลภะอโทสะอโมหะที่เป็นคืออโลภะไม่โลภก็คือแสดงความปลดปล่อยในรูปใดรูป ในขั้นภาวนาก็มีการปล่อยในขั้นของนิพพานในที่ปรากฏในขณะปฏิบัติธรรมนี่คือเหตุที่เป็น กุศลเหตุแล้วครั้งการต่อมาเค้าได้เสวยเป็นเรื่องของจิตนะวิบากที่เป็นเรื่องของจิตที่เรียกวิบากจิตวิบากรูปเราไม่พูดถึงในที่นี้ไม่ เนื่องติดสันดานเรามาเป็นปกติที่พร้อมเมื่อเหตุปัจจัยใหม่ ส่วนให้เกิดโมหะเราก็ไม่เกิดมาก นอนหลับแล้วก็มีอปายากะตะเหตุตื่นอยู่ก็มีแต่เนี่ยในพระอรหันต์ ด้วยประการอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งกายทั้งๆไม่ไม่บาปที่ปราหลานขั้นกระทําขั้นแสดงเพราะการกระทํานั้นนี่ พูดถึงพฤติกรรมทีนี้พูดถึงในเนื้อตัวท่านเองที่ท่านได้ปฏิสนธิจิตมาได้บุคลิก จึงเรียกว่ากิริยาอเมลีกุศลเพราะว่าพฤติกรรมของท่านนั้นไม่ประกอบด้วยเหตุที่ มูลก็ไม่มีในจิตนั้นก็ไม่มีในจิตนั้นกุศลมูลก็มีไม่อ่าผลพวงดีทั้งไม่ดีอ่าเดี๋ยวเรา ถ้าจะบอกว่าไม่มีอกุศลมูลแน่ล่ะมันมันมีผล แต่ว่าไอ้มุมที่มันไม่มันไม่มีบ่อยๆบ่อยๆ อยู่ในขั้นของการเจริญพระกรรมฐานก็ดีเป็นประโยชน์มาก คนนั้นได้เชื่อปฏิบัติตามธรรมที่ทรงตรัสว่าเห็นสักตะวะเห็นที่ตักกับปะปยยะกาลุสริยะเป็นที่เรา นี่คือเห็นแล้วไม่ปักตาไว้เห็นสาระปูโดยแต่บ่ ถ้าทางอย่างนี้มันควรที่เราจะเอามาใช้มั้ยหรือ เราบ่เสียงไม่เป็นประโยชน์ยินเสียงไม่ดีจะกันเองก็ด่าเรา 8 อยู่แล้วก็เสียงอย่างเรา 8 ที่วัดสระเนี่ยเสียง จะทำยังไงพระไม่ศีล 8 เสียกันหมดทั้งวัดเลยคือไปฆานหมดทั้งนี่ขาดหรือไม่ขาดเนี่ยเราจะเอา จึงมีความพยายามเราก็ทําให้เสียงดังแต่ถ้าว่าถ้าเสียงนั้นมาไม่ได้ก้าวไปด้วยเจตนาอย่างคนโตะมีวิธีการนะวิธี คิดว่าพอเสียงมาเข้าหูเนี่ยเราตั้งปณหาถามว่าเราชอบมันแยกแยกขาดเหตุผลมา แต่ถ้าไปดูก็เป็นเหมือนกันเป็นอนาคโคจรเนี่ยพูดถึงอยู่เป็นนั้นมั่งแต 3 ว่า ทำไมจึงมีสภาพที่เรียกว่ามันลุกหลู่ลุกหลู่ลำไหลลำ อประการที่น่าจะต้องถือว่าสําคัญเนี่ยนะครับสําหรับอเหตุกจิตโดย ก็ไม่เคยคาดคิดว่าทางศาสนาพุทธจะว่ากัน โดยคั่นปริยัติหรือมีไว้สําหรับเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเห็นเหตุปัจจัยอัน อันนี้ล่ะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าท้าทายทําไม ให้ให้พยายามฝึกสังเกตและสอบตัวเองไว้สู่อดีตถ้าๆกรณีเนี่ยมันอยู่ในชาตินี้มันอยู่ในชาตินี้ว่าทําไม แล้วก็จะดีขึ้นทุกๆวันทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยทําให้เราเกิดความสํารวมในตัวเองแล การที่จักขุวิญญาณได้เห็นคนนี้ได้เห็นพระองค์นี้มาเนี่ยถ้าลำพังไม่มีเอาซะให้ชัดว่าจักขุ ท่านอาจจะอยู่ในโลกลับแลแล้วก็มาหาเองก็ตามนะหรืออยู่ในโลกทิพย์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันดี เลยเห็นได้อะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นเหตุเราเราเราคงจะพูดเหตุอะไรทําให้เห็นได้ รู้มีทางที่จะไปนํามาให้เห็นก็มีอยู่เป็นนะมาคนบางคนก็ไม่เห็นบางทีคนหนึ่งอยู่นู่นเค้าได้เห็นเค้าก็อาจจะนึกว่าผู้บรรยาย ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแม้อย่างพระสู่ที่เราจะพูดนี่นะก็บอกเหมือนกันว่าทําไมบุพเพเจ้าไปเสด็จบิณฑบาตในเมืองเรา นี่แปลว่าท่านจะทําอะไรก็ไม่ใช่ทําตาม น่ะปัจจัยอื่นเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นอ่านี่เป็นการอธิบายตรงนี้แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคือ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอันหนึ่งนะฮะว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นในการๆใครๆตามความ มันมีสภาพเหมือนกับเด็กทารกเด็กทารกน่ะแล้วก็มองแล้วนอกตัวทั้งนั้นในขณะนอก อันในฉันใดก็ฉันนั้นนี้ของเด็กอ่อนอย่างนี้ในตัวของเด็ก มันมีของเก่ามาส่วนนึงมีเหตุบาปใจไปบำรุงพอกพูนได้กุศลที่มีกุศลเหตุไอ้ จะอธิบายในรายละเอียดเนี่ยแยกออกมาเป็นส่วนเลยว่ายังไงยัง เป็นเป็นตัวหลักใหญ่ที่ทําให้เกิดความโน้มเอียงไปอย่างไร ว่ายังยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยังยืนเดินนั่งนอนเนี่ยการจะทําศีลธรรม มันเอาเป็นพี่เป็นจริงเป็นจังไม่เดินเนี่ยบางทีนั่งจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งๆสําหรับเบื้องต้นนะเบื้องต้น วิญญาณมันถูกปลุกคือหนุ่มเดินมาต้องใช้ออกแรงไอ้ตอนเริ่มต้นเราก็ ตนนั้นเนี่ยท่านดึงเห็นความสัมพันธ์ได้ว่าอีริยาบถนอนเนี่ยไม่เป็นตามเราว่าลุกขึ้นลุกขึ้นคือลุกขึ้นจากนอนไปสู่ถ้านอนอยู่ก็ไปสู่ นึกคิดบางอย่างยืนแล้วก็ยืนนานๆเข้าก็ขี้เกียจได้เพราะขี้เกียจก็ตามไล่จับไปเลยเราก็ต้องปืนต้องแก้ที่มัน พลังเหมือนกันอันนี้ก็เป็นของจริงอัน 1 อาเหตุตกขาดพลังในตัวเองจากเหตุ 1 นี้ที 2 ที่จะเข้ามาสู่พลังในตัวเองแล้วนะว่าพลังในตัวเอง จักสู่วิญญาณเกิดขึ้นรู้รูปะรูปเป็นอารมณ์โดยไม่เห็นได้จนกระทั่งให้มันบรรลุ 6 ดวงเนี่ยท่านผู้ใด ไม่มีกุศลเจตสิกไม่มีอกุศลเจตสิกอยู่นั้นทำไมที่ในปฏิสัมภิทามรรคพระอุทิชาแสดงคานว่าพวกที่เห็นเป็นให้อ่า เสียงที่ละยินเสียงนกเสียงกามก็หล่าเลืองฮะอีกเดี๋ยวนี้ไปมัวนั่งชมนกชมไม้ ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าในทางกุศลกรรมมันอาจจะได้เสวย แต่ไม่มีฉันทะคือความผูกใจไม่มีตัวนะเหตุกิจเนี่ยโดยส่วนเกือบจะทั้งหมดเนี่ยไม่ๆอ่าเช่น ผมยกตัวอย่างจิตดวงหนึ่งในเหตุกิจให้นึกเห็นไว้ล่วงหน้าภาสิตุปาทจิตที่แปล ท่านรู้ว่าท่านไม่ไม่ทนจากสิ่งเหล่านี้แล้วท่านได้คิดว่าไอ้คนทั้งหลายนี่เค้ายังโง่เขลาอยู่เค้าเรานึกในใจมันจริงๆสงสารมันจริงๆ มันจะเป็นกุศลจิตหรือ